พระบัญญัติหนึก็ภิกษุณีใดไม่สละที่พักแล้วหลีกจาริกไปต้องอบัติ์าจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ